พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่านัตถิสันติปาราหงสุขขังไม่มีความสุขันใดในโลกนี้ที่จะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเป็นความสุขที่แท้จริง เพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ดับความทุกข์ทั้งปวงไม่มีความทุกข์ถ้าได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วเป็นความสุขที่ถาวรเพราะเป็นความสุขที่อยู่ในใจมีใจเป็นผู้ ผลิตขึ้นมาไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นเครื่องมือผลิตนักปราชญ์จึงแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้คนพานหรือคนโง่จะแสวงหาความสุข ที่จากสิ่งต่างๆนอกจากความสุขของใจคือจะแสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแทนที่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบ เพราะความหลงความโง่ทำให้ไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่เดียดเลิดคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่คือเครื่องวัดความโง่ความฉลาดของ ของคนเราคนฉลาดย่อมไม่หาความทุกข์มาใส่ตนมีแต่จะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากตนคนโง่มีแต่สแสวงหาความทุกข์มาใส่ตนเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนสแสวงหานั้นเป็นความทุกข์นั่นเอง กลับไปเห็นว่าเป็นความสุขเรียกว่าเห็นกับตาละปัตเห็นความเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของตนว่าเป็นของตนก็เลยพบแต่ความทุกข์ ตลอดเวลาและทุกพบทุกชาติที่ได้มาเกิดก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหาแต่ความทุกข์มาใส่ตนอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งใครสอนเกิดมาทุกคนนี่ แสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลสะพากันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับการพัดพรากจากสิ่งที่ได้แสวงหามาได้เลอได้ลาบก็ต้องเสื่อมลาบได้ยศก็ต้องเสื่อมยศ ได้สรรเสริญก็ต้องมีนินทาได้ความสุขที่เกิดจากการได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผทตภะก็จะได้ความทุกเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนั้นเสื่อมหมดไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องของการหาความทุกข์แต่กับมองไม่เห็นกัน มีพระพุทธศาสนามาคอยสั่งมาคอยสอนก็ไม่ค่อยได้มีการปฏิบัติตามทั้งที่ประเทศไทยนี้ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่การเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังนี้มีน้อยมาก ถ้าดูตามจำนวนของผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีผู้ที่แสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีจำนวนน้อยมากส่วนใหญ่จะแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทั้งนั้น จึงเป็นอย่างที่เป็นกันอยู่นี้เพราะว่าความโง่นี้มันมีอำนาจมากกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเมฆที่มันมีความหนาทึบมากจนแสงพระอาทิตย์นี้ไม่สามารถสาดส่องทะลุ ออกมาได้ทำให้ใจของผู้ที่มีความโง่คือมีโมหะอาวิชชาครอบงำอยู่นี้เป็นใจที่มืดทึบเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่สามารถเห็นอะไรต่างๆที่คนตาดีเห็นได้ไม่สามารถเห็นความทุกข์ ในสิ่งต่างๆไม่สามารถมองเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆไม่สามารถมองเห็นความที่ไม่มีเป็นไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่เป็นเราเป็นของเราต้องต้องรอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า ที่มีพระปัญญาที่แก่ก้าและมีความฉลาดที่สามารถที่จะมองทะลุเมฆหมอกแห่งโมหะอาวิชชาได้แล้วก็หลังจากที่ทรงได้เห็นความจริง และได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้รับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรพระองค์ก็นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความท้อพระทยัยเพราะทรงเห็นว่า สัตว์โลกส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยนี่จะไม่มีความสามารถที่จะรับแสงสว่างของพระธรรมคำสอนได้สอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่หลังจากที่ได้ทรงใช้เวลาวิเคราะห์ดู พิจารณาดูก็ทรงเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่เหมือนกันมีความฉลาดมีความรู้นี้ไม่เท่ากันคนที่มีความรู้ความฉลาดที่สามารถที่จะรับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี้ก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีไม่มาก ก็ยังมีอยู่และสามารถที่จะรับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์ได้ทรงเห็นว่าผู้ที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนนี้ก็มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันมีความรู้ความฉลาดต่างกันไปมากน้อยต่างกันไปตามลำดับ มีอยู่สามขั้นและมีคนกลุ่มที่สี่ที่เป็นคนที่มีความโง่ของโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจหนาทึบจนไม่สามารถที่จะให้แสงสว่างแห่งธรรมเด็ดลอดเข้าไปในหัวใจของเขาได้เลย บุคคลกลุ่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะทรงโปรดได้ก็มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันที่ยังพอที่จะโปรดได้คือบุคคลที่มีปัจจัยหรือมีเครื่องมือรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ มีทานมีศีลและมีสมถะภาวนาก็คือนักบวชต่างๆนั่นเองนักบวชนี้เขาจะได้ทำทานอย่างเต็มที่เขาได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่เพราะเขาเห็นว่ามันไม่เป็น สิ่งที่ให้ความสุขกับเขาอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่คุกเข้าไปกับความทุกข์ก็มีความปรารถนาที่อยากจะหาความสุขที่ดีกว่าความสุขจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเขาก็เลยจรละ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกไปบำเพ็ญอยู่ตามสถานที่สงบสงดัดห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆจเจริญสมถะภาวนารักษาสีงให้กายวาจาใจสงบแต่การบำเพ็ญของเขานี้ก็จะได้ความสงบในระดับ ชั่วคราวคือการบำเพ็ญส ม, มถาภ า, าวนาโดยการเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งก็จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบก็จะมีความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบในขณะที่อยู่ในความสงบนั้น แต่ความสงบนี้ก็ไม่สามารถสงบไปได้ตลอดเวลาเพราะว่าใจจะต้องออกมารับรู้กับเรื่องของร่างกายร่างกายต้องการใจมาดูแลรักษาต้องการให้ใจออกมาเพื่อที่จะได้หาอาหารหาน้ำขับถ่ายให้กับร่างกาย เวลาออกมาจากความสงบความสุขที่ได้นั้นก็ค่อยๆจางหายไปแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากตัญหาความอยากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ก็จะโวนกลับคืนมาใหม่นี่เรียกว่าเป็นการ ได้ความสุขชั่วคราวความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้เพียงชั่วคราวได้ในขณะที่จิตรวมเข้าไปในสมาธิพอออกจากสมาธิมาออกมารับรู้เรื่องของร่างกายมารับรู้เรื่องของภารกิจการงานต่างๆมารับรู้เรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ กิเลสตันหาที่ไม่ได้ตายก็จะออกมาทางานต่อมาสร้างความโลภความโกรธความหลงสร้างความอยากต่างๆพอกิเลสเริ่มทำงานตันหาความอยากเริ่มทำงานความสงบที่ได้จากความความสุขที่ได้จากความสงบก็จะจางหายไปเพราะความสงบจะ หายไปนั่นเองถ้าต้องการความสงบต้องการความสุขก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ยังเรียกว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้มีความสงบได้อย่างถาวรทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิ และหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วพระองค์ก็จงทรงใช้ปัญญาพิจารณา จนเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นหายไปและสิ่งที่ความอยากต้องการนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจตามมาเพราะสิ่งที่ ใอยากได้นั้นมันไม่เที่ยงนั่นเองมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับจเจริญแล้วก็เสื่อมไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของใครไม่มีใครสามารถสั่งหรือห้ามไม่ให้เสื่อมได้มันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมัน นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบคือส่งค้นพบไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ใจมีความอยากได้ก็คือเห็นไตรลักษณ์ในลาบยศสรรเสริญเห็นไตรลักษณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะเห็นไตรลักษณ์ในขันห้าเห็น เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นตายลักเกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวไม่มีตนเป็นดินน้ำลมไฟเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นตายลักมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อม ทรงเห็นธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในใจก็เป็นตายรับเหมือนกันมีเกิดแล้วก็มีดับเกิดดับเกิดดับไปอย่างนั้นไปเรื่อยเมื่อทรงเห็นว่าเป็นตายรัก์ก็ทรงปล่อยวางไม่มีความอยากได้ทิงเหล่านั้นมีก็ไม่ยึดไม่ติด พร้อมที่จะให้เขาเสื่อมพร้อมที่จะให้เขาจากไปพอใจไม่ได้ไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆปล่อยวางใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ของสิ่งต่างๆนั่นเอง สิ่งต่างๆจะเจริญหรือเสื่อมก็ไม่ได้ทำให้ใจทุกข์อีกต่อไปถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะต้องทุกข์เพราะจะเมื่อมีอะไรก็จะมีความอยากให้มีต่อไปไม่ให้เสื่อมไม่ให้หมดมแต่ก็ห้ามมันไม่ได้สิ่งต่างๆมีแล้วก็ต้องมีวันหมดไปพอหมดไปก็ต้องทุกข์ถ้ามีความอยาก ให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ต่อไปแต่ถ้าไม่มีความอยากปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความจริงของเขาเขาเจริญก็ปล่อยเขาเจริญไปเขาเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของสิ่งต่างๆนี่คือการ ทำใจให้สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิใช้ปัญญาทําใจให้สงบและเป็นความสงบที่ถาวรเพราะถ้าลองได้ปล่อยแล้วก็จะไม่ยึดอีกต่อไปต่อให้จะดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนใจจะไม่มีความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆจะได้ลาบ ได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านใจก็รู้สึกเฉยเฉยจะได้ตำแหน่งอะไรสูงส่งขนาดไหนใจก็ไม่ยินดีเลยเฉยเฉยจะได้รับการสรรเสริญเยินยอรหรือได้รับการคารหานินทาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพมา ที่วิจิตพิสดารที่มีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจหรือเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่สูญเสียรูปเสียงกฤฤฤฤฤฤิตลดผลทพะเหล่านั้นไปใจไม่มีความยึดติด ก, กับสิ่งต่างๆเพราะเห็นได้ด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ ถ้าไปมีความผูกพันถ้าไปมีความอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นไปตามความอยากของตนนี่คือการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือรู้ความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่สามารถที่จะไป ควบลุมบังคับให้เขาเที่ยงได้นั่นเองและนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้ที่มีความสามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้บุคคลกลุ่มแรกที่มีความพร้อมมากที่สุดก็คือกลุ่มนักบวชทั้งหลายนั่นเองพระองค์จึงทรงมุ่งไปที่ พระปัญจวัคคีที่เป็นนักบวชที่เคยติดตามติดสอยห้อยตามรับใช้พระองค์แต่ได้แยกทางกันไปในช่วงที่พระองค์ได้หยุดการทำความเพียรด้วยการอดปกยาหารพระปัญจวัคคีคิดว่าพระองค์ทรงยอมแพ้ต่ออำนาจของกิเลสตัณหา ก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่ยอมรับการเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำเอกต่อไปของพระพุทธเจ้าก็เลยปีกไปอยู่ต่างที่กันหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วและทรงรู้ความจริงของการทำใจให้มีความสุขตลอดเวลาแล้วพระองค์ก็ทรงวุ่งไปหาพระปัญจวคี พ่อทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับเอาคําสอนของพระองค์ไปปฏิบัติและบรรลุผลได้จึงทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่พระปัญจวคีก็ทรงสอนเรื่องของไตรลักษณ์นีเ้เรื่องของพระอริยสัจสี่พระอริยรรสัจสี่ก็เรื่องของทุกขสมุทัยนิโรธมาก เรื่องของตายรักก็เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพระปัจจวคีได้ยินได้ฟังก็น้อมเอาไปปฏิบัติกันจนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาพร้อมกันทั้งห้าองค์ในการแสดงธรรมขั้นแรกมีเพียงรูปเดียวที่มีความฉลาดมากกว่าอีกสี่รูปที่ สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานั่นก็คือการเห็นอนิจจานั่นเองจึงทำให้พระอัญญาณโกน ญ, ญะบรรลุธรรมขั้นแรกขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแต่อีกสี่ท่านนั้นยังปัญญายังไม่ทัน ความฉลาดยังไม่ทันยังไม่บรรลุแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าธรรมคำสอนอีกพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้พร้อมๆกันเลยนี่คือบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงทรงเลือกสั่งสอน ทรงเปรียบบุคคลกลุ่มนี้ว่าเป็นบัวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเพียงแต่รอแสงสว่างของดวงอาทิตย์มาสัมผัสก็จะทำให้บัวนี้บานขึ้นมาใจของนักบวชที่มีทานมีศีลมีสมถะภาวนาแล้วนี้ก็เป็นเหมือนใจที่อยู่เหนือน้ำของโมหะอวิชชาแล้ว เพียงแต่รอให้แสงสว่างแห่งธรรมมากระทบเท่านั้นมาสัมผัสเท่านั้นก็จะทำให้ใจนั้นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์บรรลุถึงพระนิพพานได้หลังจากนั้นก็ทรงไปโปรด บรรดานักบวชในรัตที่อื่นที่มีความเห็นผิดมีความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกตามหลักความเป็นจริงสอนเขาโน้มน้าวเขาให้เขาเข้ามาเห็นความจริงของอริยเศจสี่เห็นความจริงของายลักพอเขาได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปพิจิติจารณานำเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถ หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างท้าวรได้ก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากในช่วงระยะแรกแกของแห่งการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเเดือนต่อมาก็ปรากฏมีพระอรหัน หนึ 1> 1, ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนไม่เป็นผู้อุปชาอุปสมบทให้ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสาวรทติตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนเท่านั้นหลังจากที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พระปัญจวคัคคีโลกเราก็มีพระอาหารหันตสาวก อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปด้วยกันหลังจากนั้นพระองค์ก็เมื่อได้ทรงสั่งสอนพวกที่เป็นนักบวชจนไม่มีเหลืออยู่แล้วก็ทรงไปสั่งสอนผู้ที่มีความสามารถความรู้รองลงมาจากนักบวชก็คือผู้ที่บวชแล้ว แต่ยังไม่ได้สมาธิได้ทาทานได้รักษาศีลแต่ยังไม่ได้สมาธิก็สอนให้เขาจเจริญสติเพื่อให้ทาใจให้สงบแล้วเมื่อใจเขาสงบแล้วก็สอนให้เขาออกทางปัญญาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆให้เห็นว่าทุกนั้นเกิดจากความอยาก และทุกจะดับได้ก็ดับด้วยการละความอยากการจะละความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นอันที่จังเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองพอทรงสอนบุคคลเหล่านี้เขาก็นําเอาไปปฏิบัติเรื่นความเพียรกันเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ จนสามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ใจเป็นสมาธิได้พอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาใจรักพิจารณาราบยศรเสริญพิจารณารูปเสียงกลิ่นลดผลพพะพิจารณาขันห้ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาธรรมอารมณ์ว่าเป็นใตรัก เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นร่างกายก็พิจารณาว่าเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเป็นซากศพไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าชอบไม่น่ามีการอารมณ์กับร่างกายที่ไม่สวยไม่งามนี้ ถ้าเห็นความไม่สวยไม่งามในร่างกายตลอดเวลาก็จะสามารถระงับการมาลงได้สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่ครองนี่คือบุคคลกลุ่มที่สองที่พระพุทธเจ้าส่งโปรดหลังจากที่ได้โปรดบุคคลกลุ่มที่หนึ่งแล้ว บุคคลกลุ่มที่หนึ่งนะ่เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับอ่น้ํากะทิน้ําแรกจะเข้มข้นมากอต่พอน้ํากะทิที่สองนี้ความเข้มข้นก็จะน้อยลงความเข้มข้นก็คือความรู้ความสามารถก็ต้องสอนให้เขาเพิ่มความเข้มข้นให้แก่จิตใจของเขาด้วยการสอนให้เจริญสติ เพื่อทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วหลังจากออกจากอัปปนาสมาธิมาก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนาาัตตาให้พิจารณาทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่มีอยู่ภายในใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ใจอยู่ในใจความทุกข์นี้อยู่ในใจ แต่อนิจจังอนัตตานี้อยู่ข้างนอกสิ่งที่ใจไปผูกติดนี้อยู่ข้างนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพาราบยศสรรเสริญนี้อยู่ข้างนอกสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นอนัตตาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่ความทุกข์นี้อยู่ที่ใจทุกขขังนี้อยู่ในใจ ทุกครั้งเกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ที่จะเสื่อมไม่เสื่อมนั่นเองอยากจะควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการตามความอยากของใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทําได้อความทุกข์นี้อยู่ในใจนาปัญญาก็อยู่ในใจ ปัญญาที่เห็นว่าสิ่งที่ใจไปอยากให้เที่ยงนั้นมันไม่เที่ยงทำไม่ได้เพราะควบคุมไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาต้องเป็นของเขาอย่างนั้นเขาต้องเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาจะไปสั่งให้เขาเป็นนิจจังไม่ได้จะไปสั่งให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ถึงเวลาเขาจะไปเขาก็จะไปไม่มีใครที่จะมายับยั้ง การจากการไปของเขาได้นี่คือปัญญาที่อยู่ในใจเคยความคิดตรุงแต่งที่คิดไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่ใจมาสัมผัส ร, ร, รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองอรารยสัจสี่อยู่ข้างในแต่อันนี้จังอนัตตาอยู่ข้างนอกอันนี้จังอนัตตานี้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่กับ ลาบยศสระเสริญแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธรนี้อยู่ในใจความทุกข์นี้อยู่ในใจความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นภายในใจปัญญาที่จะสอนให้ใจละความอยากก็อยู่ในใจผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าแยากเป็นสองส่วนด้วยกัน เรื่องของทุกขังนี่อยู่ในใจต้องดูในใจถึงจะเห็นทุกข์ส่วนเรื่องของอนิจจังอนัตตาหรือเรื่องของอาสุภะนี่อยู่ข้างนอกอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลพะะอยู่ที่ลาบยศสารเสริญอยู่ที่ร่างกายของคนเราอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ที่ธรรมอารมณ์ นี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ละจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอละได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยาก ก็จะดับไปหายไปความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ต่อไปอย่างท้าวรนเพราะถ้าอะไรที่ดับด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีวันที่จะฟื้นกลับเืยขึ้นมาอีกไม่เหมือนกับการดับด้วยสติคือดับด้วยสมาธิถ้าดับด้วยสมาธินี้มันจะดับชั่วคราว พอออกจากสมาธิมาความวุ่นวายใจความไม่สงบใจก็จะกลับคืนมาใหม่นี่คือการบาเพ็ญของบัวกลุ่มที่สองบุคคลกลุ่มที่สองบุคคลที่ได้ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วได้ออกบวชแล้วหรือได้อยู่แบบนักบวชแล้วทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการรักษาศีล แต่ยังไม่สามารถที่จะทําใจให้สงบได้ด้วยสมาธิก็ทรงสอนให้มันจเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ใจนี้ตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไว้เป็นที่ผูกมัดใจเพื่อไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งจนเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมา ถ้ามีสติควบคุมใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็พอออกจากความสงบก็พยายามที่จะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิด้วยการพิจารณาปัญญาเวลาที่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อระ ง, งับความอยาก ถ้าละงับความอยากได้ความสงบความสุขความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะตั้งอยู่ต่อไปได้ถ้าละงับความอยากไม่ได้ความสุขความสงบที่ได้ก็จะหายไปแล้วหลังจากนั้นความทุกข์ก็จะตามมาเวลาที่สิ่งที่ได้มานั้นเปลี่ยนไปหรือเสื่อมไปหมดไปนี่คือ ผู้ปฏิบัติกลุ่มที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามีสถานภาพมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสอนบุคคลกลุ่มที่สามคือบุคคลที่ยังไม่ได้ออกบวชยังมีความหลง ติดอยู่กับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็ทรงสอนให้เขาทำทานรักษาศีลให้เขาละรับสมบัติข้าวของเงินทองที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆให้เขาเอามาแจ ก, กจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ไม่ให้เขาใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆด้วยความอยากตามความอยากเพราะมันเป็นการซื้อความทุกข์มากกว่าซื้อความสุขเพราะความสุขที่ได้นั้นจะต้องเสื่อมหมดไปแล้วพอเสื่อมหมดไปก็จะมีความทุกข์ตามมาสอนให้เขาหยุดการหาความสุขจากการสแสวงหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญ เพื่อที่จะได้มาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆมาเสกซึ่งเป็นความสุขปลอมจ่อให้เขารักษาศีลเพื่อที่จะได้รักษาใจของเขาไม่ให้วุ่นวายนั่นเองทำทานให้รักษาศีลห้าวันพระก็ให้ถือศีลแปดให้ไปเปกวิเวกหาสถานที่สงบสงัด เพื่อที่จะเจริญสติเพื่อที่จะทำใจให้สงบในเบื้องต้นก็ให้ทำอาทิตย์ละหนึ่งวันไปก่อนแล้วถ้าได้ผลดีอยากจะเพิ่มขึ้นเป็นสองวันสามวันก็เพิ่มไปตามลำดับจัดการหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองให้น้อยลงไปเพิ่มการหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ด้วยการบําเพ็ญรักษาศีลแปลดด้วยการเจริญสติเจริญสมถภาวนาเจริญปัญญาไปต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเหมือนกับนักบวชทั้งหลายแล้วก็จะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้นี่คือบุคคลสามกลุ่มที่เปรียบเหมือนบัวสามเราที่มี ศักยภาพมีความสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถที่จะน้อมเนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายได้คือสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ นี่ก็คือเรื่องราวของความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเป็นพระองค์แรกเป็นพระองค์เดียวที่สามารถที่จะทําให้ใจสงบได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิใจนี้สามารถสงบได้ถ้ารู้จัก เหตุที่ทำให้ไม่สงบแล้วกาจัดเหตุนั้นได้เหตุที่ทำให้ใจไม่สงบก็ทรงค้นพบว่าเป็นตัณหานี้เองเป็นความอยากสามประการด้วยกันคือกามาตัณหาความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่แล้วก็วิภาวะตัณหา ความอยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนี้ไม่ต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้ไม่ต้องการคํานินทาข้อหานินทาไม่ต้องการความเสื่อมของสิ่งต่างๆไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องการความยากความจน ความไม่ต้องการความไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัณหาอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้ใจนี้ไม่สงบทำให้ใจไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พยายามละกะตัณหาทั้งสามนี้ให้ได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาไปรักษอยู่เรื่อยๆพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลละสัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาอาการสามสิบสองพิจารณาสร้ากศพร่างกายนี่มันสวยงามตลอดเวลาหรือว่ามันมีวันหนึ่งที่มันจะต้องไม่สวยไม่งามเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วต่อให้เป็นนางงามจากกวานมันก็ไม่มีวันที่จะดูให้สวยได้ อย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุรูปหนึ่งไปพิจารณาดูศพของนางโสเพณีที่มีหน้าตารูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีชื่อมีเสียงเวลาที่เธอตายไปพระองค์ทรงให้พระภิกษุรูปนี้ไปพิจารณาดูซากศพของเธอพอไปเห็นซากศพของบุคคลที่เคยมีความสวยคอยมีความงามอยู่ พอเห็นแล้วมันก็ทำให้การอารมณ์ที่เคยมีนั้นดับหายไปหมดเลยนี่คือวิธีละตันหาความอยากต่างๆต้องดูในสิ่งที่มันทำให้ไม่หลงนั่นเองดูความจริงดูในส่วนที่มันเสื่อมดูส่วนที่มันดับดูในส่วนที่มันไม่สวยไม่งาม เพราะตันหานี้ปกติจะชอบแต่ของสวยของงามชอบของที่เจริญไม่ชอบของน่าเกลียดน่ากลัวไม่ชอบของที่เสื่อมที่ดับจึงต้องบังคับใจให้ดูสิ่งที่ใจคือตันหาไม่อยากจะดูถ้าใจไม่สงบี้จะไม่มีกำลังที่จะบังคับให้ใจดูในสิ่งที่ไม่น่าดูได้เลย ต้องทาใจให้สงบก่อนเพราะเวลาทาใจให้สงบีนตัณหาความอยากต่างๆจะถูกตัดกำลังลงไปจะไม่ออกมาต่อต้านจะไม่คอยขัดคอยขวางไม่ให้ดูในสิ่งที่ไม่น่าดูไม่ให้ดูความเสื่อมไม่ให้ดูความน่าเกลียด น, น่ากลัวของร่างกายไม่ให้ดูอวัยวะต่างๆของร่างกาย ไม่ให้ดูว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟการปฏิบัติเพื่อมีรู้แจ้งเห็นจริงด้วยวิปัสสนาภาวนาจึงจาเป็นต้องอาศัยสมถภาวนาเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ที่คอยตัดกำลังของกิเลสตัณหาที่จะคอยขัดคอยขวางการพิจารณา ความจริงต่างๆนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องทําไปตามขั้นตอนถ้าข้ามขั้นตอนแล้วก็จะไม่สามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้เช่นถ้ายังไม่มีสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องเพราะการพิจารณาทางปัญญาที่จะทําให้เป็นผลขึ้นมาได้นี่ จะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องยกเว้นเวลาที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมานี้ต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีไม่ว่าจะเป็นอสุภะก็ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารโดปฏิกูลสัญญาก็ดีไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟก็ดีต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันติดอยู่กับใจตลอดเวลา เป็นเหมือนกับการพกพาอาวุธแล้วหน้าที่ตำรวจหรือทหารเวลาเขาออกศึกนี่เขาต้องมีอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้อยู่ห่างกายได้เลยเพราะว่าอาวุธนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่จะใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูนั่นเองปัญญาก็เป็นเหมือนอาวุธของใจ ที่จำเป็นที่จะต้องอยู่คู่กับใจไปตลอดเพราะว่าถ้าห่างเมื่อไหร่ก็จะถูกคู่ต่อสู้นี้เข้ามาทำลายได้ทันที <Yeah. S 1> เข้ามาสร้างความทุกข์ได้ทันทีเข้ามาสร้างความอยากได้ทันทีแต่ถ้ามีอาวุธอยู่กับใจตลอดเวลามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลามองเห็นอสุภะตลอดเวลามองเห็นดินน้ำลมไฟตลอดเวลา มองเห็นอาการสามสิบสองตลอดเวลาตัรหาความอยากต่างๆนี้มันจะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบมีสองระดับด้วยกันระดับแรกคือสงบชั่วคราวสงบด้วยอำนาจของสติ การคการเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้แต่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่เจริญสติกิเลสตัณหาก็จะออกมาทำงานแล้วก็มาทำลายความสงบที่ได้จากความสุขที่ได้จากความสงบได้ถ้าอยากจะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบต่อไป ถ้ายังไม่รู้จักปัญญาก็ต้องใช้สติต่อไปท่านั้นถึงจะรักษาได้แต่ถ้ามีคนมาสอนวิธีรักษาได้ด้วยปัญญาก็คือมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนก็สามารถใช้ปัญญานี้ทำลายผู้ที่จะมาทำลายความสงบมาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พอทำลายผู้ที่จะมาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะสงบไปเรื่อยๆเพราะจะไม่มีใครมาทำลายนั่นเองก็เลยกลายเป็นความสุขความสงบที่ถาวรหลังจากที่ได้ทำลายผู้ที่จะมาทำลายความสุขความสงบนี้แล้วก็คือตันหาความอยากนี่นี่เป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสุขเป็นความสงบที่ไม่ต้องดูแลรักษาอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่จะมาทำลายนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วคือกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจนี่แหละคือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขจากการทำใจให้สงบเราต้องใช้การบําเพ็ญส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เบื้องต้นก็ใช้สมถภาวนาก่อนเพราะถ้าไม่มีสมถภาวนาจะไม่มีกำลังที่จะออกไปทางวิปัสสนาภาวนาได้แต่พอมีสมถภาวนาแล้วการออกไปทางวิปัสสนาภาวนาก็จะออกไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะสามารถทำให้ใจนั้นสุขสงบไปได้ตลอดเวลาจนกลายเป็นพระนิพพานไป นี่คือเรื่องของนัตติสันติฟังสุขขังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนําเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีความสามารถที่จะน้อมเอาไปปฏิบัติได้พวกเราก็จะได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับอย่างแน่นอนถ้าเรายังไม่สามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้เราก็ต้องพยายามทําให้ได้ ทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเราก็อาจจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่ขั้นต่ำสุดเลยก็คือขั้นทำทานรักษาศีลแล้วก็ค่อยขยับมาที่การภาวนาในวันพระรักษาศีลแปดในวันพระแล้วก็ทำเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับจนสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของพวกเรา ถ้ายากแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งมาสอนพวกเราแต่ทรงเห็นว่าพวกเหล่านี้ยังมีศักกายภาพถ้าพวกเราทําทานได้รักษาศีลห้าได้พวกเรามีศักกยาภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่านี้ได้คือขึ้นสู่ศีลแปดได้ขึ้นสู่การบํมมาเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้ งันอย่าประเมินตัวเราต่ำกระจนเกินไปเพราะจะถูกกิเลสหลอกนั่นเองเราต้องประเมินว่าเราก็เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกมีศักยภาพมีความพร้อมที่จะบำเพ็ญที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะไม่เช่นนั้นลรวพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเรานั่นเอง ขอให้พวกเราพยายามผักดันตัวเราเองในทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือผักดันให้ทำทานอยู่เรื่อยๆอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆตามความอยากต่างๆเอาเงินทองที่จะไปซื้อความอยากซื้อความสุขต่างๆตามความอยากนี้เอาไปทำบุญเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าได้ความอิ่มใจได้ความสุขใจ ที่ดีกว่าการไปซื้อความสุขตามความอยากต่างๆที่จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอการทำทานนี้จะทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราพอทำให้เราหยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆได้แล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ออกภาวนาได้แล้วเราก็จะบวชได้ตามลำดับและบรรลุธรรมได้ในที่สุด การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนยัตทาวาริวาหาปุราปาริกวเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุปกรปัรปติอิธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิโชติอระโสยทาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนศีลิศะนิจังวุฒาปจายโน จตาโรโหทมาวาทานติอายุวนโนสุขังผาลางังต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ กาบเรียนพระอาจารย์ครับเมื่อกี้ในช่วงสุดท้ายของการเทศ่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องการให้ทานครับก็เลยสงสัยเรื่องอวัฒนธรรมการให้ทิปของชาวต่างชาติที่ที่เขาจะมีว่าหลังรับประทานอาหารหรือใช้บริการอะไรเสร็จอาจจะจ่ายทิปอันนี้ถือเป็นการให้ทานหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการตอบแทนค่าแรงครับคือการให้ทานนี้ต้องออกมาจาก เจตนาของตนคือไม่ได้ถูกบังคับเหมือนจ่ายภาษีนี่มันถ้าไม่ถ้าไม่ถูกบังคับก็คงจะไม่จ่ายการให้ทิปถ้าเขาไม่มีทำเียมให้ทิปก็คงจะไม่ทิปกันอืนี่มันต้องออกมาจากใจที่อยากจะให้ครับทีนี้จะให้ด้วยเหตุผลใดนี้ก็ไม่เป็นไรให้เพราะอยากจะตอบแทนบุญคุณก็ได้ให้เพราะอยากจะสร้างมิตรกันก็ได้ มันให้เพราะอยากจะสงเคราะช่วยเหลือเพราะเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ยแต่ว่าการให้นี้ต้องไม่มีเงื่อนไขคือไม่มีการหวังผลตอบแทนจากผู้ให้ผู้รับเช mm hmm. ่นให้แล้วคุณจะต้องดีกับเราเช่นให้ทิปคุณแล้วคุณจะต้องบริการเราอย่างเต็มที่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ยังถือว่าไม่ได้เป็นทาน เป็นการแรกเปลี่ยนกันอยื่นหมูยื่นแมวให้กันเหมือนไปซื้อของที่ร้านให้เงินที่ร้านแล้วร้านเขาก็ให้ของเรามาถ้าจะเป็นทานก็ให้เขาแล้วให้เงินเขาแล้วไม่เอาของอบอกว่าเห็นเขาขายไม่ดีเลยสงสารเลยมาอุดหนุนแต่ไม่ได้อยากจะมีของอได้ของแล้วก็คืนเข้าไปอซื้อของแล้วคืนเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นทานะ คือการต้องเป็นการให้โดยถ่ายเดียวไม่มีการรับถ้ามีการรับกลับมานี่ไม่ได้เป็นทานแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ผลที่เราจะได้รับนี้มีอยู่จากการให้ทานคือเราได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจได้มิตรภาพได้ความเมตตากรุณานี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการทำทาน ก็พอดีเมื่อกี้เลยมีคำถามนะครับเ อ, อ, ยอย่างเช่นเวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมอีอผู้สูงอายุหน่อยแล้วก็มาขายของที่เกินมูลค่าอย่างเช่น อ, อถุง อ, อลูกอมน่าจะประมาณห้าบาทแต่ว่าเขาขายยี่สิบาทแล้วเราก็ซื้ออย่างเงี้ยโดยที่เรารู้ส่วนต่างอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นทานนะครับหรือว่าเราควรให้เงินไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเอาของครับย่าเราเก็ๆๆอยู่ที่ว่าเราเราให้เงินเขาเพื่ออะไร ถ้าเรายัางต้องการลูกอมอยู่มันก็ยังเป็นการซื้อขายอยู่เราะงั้นก็ดูที่ใจของเราว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการเราต้องการช่วยเหลือนั่นก็คือทางก็ให้เงินเข้าไปแล้วไม่ต้องเอาของมาครับขอบคุณครับจากนักประดิษฐพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีสองข้อค่ะข้อหนึ่งเมื่อกี้นี้ตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศพระอาจารย์เทศเรื่องของ ความทุกข์มันเกิดจากการอยากให้บางสิ่งบางอย่างมันไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้ของทุกสิ่งอย่างบนโลกนี่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่แล้วไปเรื่อยๆตามการหมุนของโลกของมันมีอะไรบ้างคะที่ที่เที่ยงคําว่าเที่ยงนี้ก็มีใจเรานี่แนหะ่ะเที่ยงเพราะใจเรานี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปแต่ใจของเรานี่ยังอยู่ ในภาวะที่ขึ้นๆลงๆลงลงอยู่ที่ขึ้นๆลงๆลงลงนี้ไม่ใช่ใจเราแต่สิ่งที่มีอยู่ในใจเราคืออารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี้มันยังมีอยู่ในใจมันก็เลยทำให้ใจเราเอาสุขบ้างทุกบ้างไปแต่ถ้าเราสามารถกาจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปได้ ใจของเราก็จะไม่มีขึ้นไม่ลงไม่มีลงนั่นก็คือพระนิพพานจะว่าพระนิพพานเที่ยงก็ได้แต่ท่านจะไม่พูดเพราะว่าคำว่านิพพานนี่มันเหนือสมมุติเนี่ยมันเหนือคําว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็คือต้องฝึกจนกระทั่งใจเราเที่ยงเราถึงจะหมดทุกจนกระทั่งใจเราไม่มีความอยากไม่มีความโลภความโกรธความหลงเจ้าค่ะ อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายค่ะอ่านจากหนังสือเล่มเนี้ยค่ะพระพุทธโอว่าก่อนปริณิพานอพระพุทธเจ้าตรั ก, กัอานน์ว่าท่านเนี่ยได้อบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทําจนคล่องแคล่วแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือร้อยี่สิบปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ทําไมอิทธิบาทสี่ถึงส่งผลให้สามารถมีชีวิตยืนยาวได้ค่ะก็จิตที่มันสงบจิตที่มีความสุขก็จะไม่ไปกระทบกับ การทำงานของร่างกายแพทย์ในในในในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังยอมรับว่าปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอ า, อายุยืนยาวนานก็คือสภาพจิตใจที่ดีถ้าใจไม่ดีนี้จะทำให้ร่างกายนี้เครียดเกิดหลังสารต่างๆออกมา เช่นคนที่ทําหน้าที่งานบริหารต่างๆนี้จะมีความเครียดมากเช่นคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีสังเกตดูเป็นไม่กี่ปีนี้ผมจะงอกหน้าตาจะเครียดแต่พอพ้นจากตําแหน่งไปแล้วไม่กี่ปีก็กลับมาดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นเพราะว่าใจไม่ได้เครียดกับเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองคือปกติอธิบดีเราจะใช้ในการทํางานใช่ไหมคะ ว่าอิธิบาตสี่นี้ตามหลักก็คือใช้ในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อะ จ, จค่ะแต่เราสามารถเราไปใช้ในทางอื่นได้แต่เป้าหมายของอิทธิบาตสี่ที่แท้จริงก็คือชำระกิเลส ต, ตัณหานี่ทำใจให้สงบตลอดเวลาไม่มีความเครียรรดเจค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะ ขอมีเพื่อถามต่อค่ะกราบหลวงพ่อครับตั้งใจจะถามมาหลายครั้งแต่ไม่กล้าถาม เ, มเรื่องของสักกายทิฏฐิกระหลวงพ่อครับว่าโพสตระบันที่สามารถละสักกายทิฐิยี่สิบได้ได้สมบูรณ์เนี่ยผมสงสัยว่าทำไมถึงยังยังมีครอบครัวเพราะว่า เพวก็ยังน่าจะเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่แล้วว่ามันเป็นแค่โ no น้มเป็นเครื่อ์ของการแปลคําว่าสักกายทิฏฐิเท่านั้นนะคือสักกายทิฐินี้สําหรับพระโสดาบันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการรักตัวกลัวตายเท่านั้นเองคือกลัวความตายกลัวร่างกายจะตายเพราะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเป็นใจใจก็เลยวุ่นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป แต่ถ้าสอนใจให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจเป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ร่างกายตายไปคนขับรถไม่ได้ตายไปขับรถยนต์พอใจเห็นความจริงอันนี้ใจก็ปล่อยวางความกลัวตายได้พร้อมที่จะรับความตายได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะรับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้พร้อมที่จะรับความแก่ได้ นี่คือสักกายทิฏฐิของการละสักกายทิฏฐิของพระโสดาบันแต่ท่านยังไม่ได้ละความรักในร่างกายของผู้อื่นรักความสวยงามของผู้อื่นยังเวลาเห็นร่างกายของผู้อื่นที่ถูกต้องใจชอบใจก็เกิดการมารมณ์ขึ้นมาอยากที่จะร่วมหลับนอนอยากที่จะหาความสุขกับร่างกายนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระสกิฎาคามีกับพระอนาคามี ที่จะต้องเจริญเจริญอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นเวลาเห็นร่างกายของคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องนึกถึงเวลาที่เขาตายไปแล้วสมมติว่าถ้าคนนี้เขาตายไปวันนี้เรายังอยากจะนอนกับเขาอยู่หรือเปล่าแฟนที่เราเคยนอนด้วยกันทุกคืนพอวันนี้เขาไม่หายใจแล้วเรายังจะนอนกับเขาต่อไปหรือเปล่า แสดงว่าสกิยาธิธินี่มีสองระดับใช่ไหมในระดับของสุราบันกับระดับสูงก็ระดับเดียวนะนรับเพียงแต่ว่าเรื่องของเรื่องของการมาราชานี้ท่านไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าสกสิยาธิธิ ท, ท, ท่านเรียกว่าเป็นการมราค่ะคือความยังมีความรักใคร่กับรูปที่รูปร่างหน้าตาที่สวยงามอยู่แล้วถ้าเวลาตอนสมมุติเราจะตายเนี่ยที่หลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าถ้าจะตายแล้วถูกบังคับให้ยอมรับความตายเนี่ยมันก็ ยังไม่ใช่ก็คือว่าแสดงว่าจิตยังมีความความกลัวอยู่ใช่ไหมฮะใช่แต่ก็ไม่รู้กลัวแต่ก็รู้ว่าทําอะไรไม่ได้อก็เพียงอย่างมากก็ไม่ต่อต้านแต่ถ้ามีโอกาสที่จะให้เลรอดไม่ตายได้ก็จะพร้อมที่จะพร้อมที่จะหนีอ่าพร้อมที่จะหนีต่อแต่ถ้าเห็นว่าการที่เราไปหลงไปยึดติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี่ มันเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความอยากไม่ตายขึ้นมาเพราะเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเรานี้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าไม่เป็นเราเราก็จะไม่มีความอยากให้มันตายหรือไม่ตายคือมันจะตายก็ได้มันไม่ตายก็ได้อันนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าผู้ที่กำลังจะตายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นเป็นเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าว พี่เลี้ยงก็ดูเสกุดบายครับถึงเวลาเจ้าต้องไปแล้วนะเราก็จะดูเธอหายใจเครืองสุดท้ายใจก็จะสักแต่ว่ารู้ไปแค่นั้นต้องเห็นแบบ น, นั้นแสดงว่าถ้าจิตใจที่ถูกบีบบังคับว่ายังไงก็ตายแน่เท่านี้อันนี้อันนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่ก็อย่างมากก็อาจจะทำใจให้สงบเข้าไปในสมาธิคือคือไม่ไม่ต่อต้านไม่คิดตุงแต่ง แต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทีนี้จะคิดว่าจะไม่ตายมันก็จะมันก็จะจะดิ้นดิ้นทานใจกับเนะข้าใจกับกาบพ่อครับรต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณนวลปองสงสัยเรื่องสติปัฏฐานสี่ กายเวทนาจิตและธรรมสามอย่างแรกพอเข้าใจค่ะแต่ตัวธรรมนี้แท้จริงแล้วคืออะไรดูตรงไหนคะอันนี้ก็ในในสติปัฏฐานนี่ก็ท่านก็แสดงไว้แล้วว่าดูว่าธรรมที่มีอยู่ในใจแล้วมีอยู่หรือเปล่าเช่นเรามีมีมักป่ดอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นธรรมในใจ เรามีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเรามีสัมมาสังกปรูหรือเปล่าเรามีศีลหรือเปล่าเช่นสัมมากรรมโตสัมมาวายามโมอันนี้ก็เป็นธรรมทั้งนั้นเราเห็นอริยสัจสีหรือเปล่าเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคหรือเปล่าเยมันก็เป็นธรรมทั้งนั้นเวลาเราปฏิบัติไปเราก็ต้องตรวจตาดูว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจเราหรือยังถ้ายังไม่เกิดเราก็ต้องผลิตมันขึ้นมานั่นเอง ตอนนี้เรามีทานแล้วเรามีศีลหรือยังศีลเรามีกี่ข้อศีลห้าศีลแปดก็ว่าไปเรามีสติหรือยังเรามีสมาธิหรือยังอันนี้ก็เป็นธรรมดังนั้นธรรมที่เราคือการพิจารณาธรรมให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ขั้นไหนเราต้องก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นไหนต่อไปอก็เรียกว่าเป็นการ จะลังสติได้ทำได้คำถามต่อไปจากคุณทอสเราจะทำจิตและสติอย่างไรไม่ให้โมโหเมื่อต้องดูแลบุคคลที่เป็นอัลไซเมอร์ทั้งๆ ท, ที่ตั้งใจจะเมตตาเขาและกิดเสมอว่าเขาคือคนป่วยแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่ทำตามที่เราพูด อารมโม โ, โหก็จะขึ้นทันทีโดยในใจยังมีตัวร้ายยุ่งสงด้วยสติที่ดีหายไปเลยค่ะขอพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะด้วยค่ะก็มันมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็มองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กเด็กร้ายเดียงสาเรามักจะไม่โกรธเด็กร้ายเดียงสาเวลาเด็กทําอะไรที่เราไม่อยากให้เขาทําเขาขี้ลาดเยี่ยวลาดแล้วก็อย่างมากก็อ นอกจากเราเป็นคนใจโหดร้ายจริงๆก็ทุบมันตีมันบ้างถ้าโหดร้ายขนาดนั้นก็ต้องมาแก้ด้วยวิธีหนึ่งว่าเราต้องอย่าไปอยากให้เขาไม่ขี้ไม่เยี่ยวเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธ ถ้าเราไม่อยากจะไปควบคุมบังคับเขาให้เป็นไปตามความอยากของเราเพราะเรารู้ว่าเราควบคุมเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธเราก็จะปล่อยมันขี้ไปเยี่ยวไปมันอยากจะนอนอยากจะเล่นอยากจะทำอะไรก็ปล่อยมันไปมันจะตายก็เรื่องของมัน คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามทำไมพอปฏิบัติแล้วยิ่งเห็นความนิสัยแย่ๆของตัวเองจากเดิมที่เห็นคนอื่น โดยเฉพาะการที่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามใจอยากตามความต้องการของตัวเองพอไม่ได้ก็งูหงดหิดว้าวุ่นขุ่นมัวพอคิดวิเคราะห์ก็พบว่าสาเหตุเกิดจากความที่รักตัวเองมากไปมีความเป็นตัวตนสูงแล้วจะทำอย่างไรให้รักตัวเองน้อยลงลดอัตราตัวตนจะได้เลิกวุ่นวายค่ะ คือเวลาเราปฏิบัตินี้เราจะเปลี่ยนเป้าหมายจากการมองคนอื่นกลับมามองที่ใจเราเป็นหลักถ้าเราไม่ปฏิบัตินี้เราจะมองคนอื่นเป็นหลักไม่มองใจเราเราจึงมักจะเห็นโทษของคนอื่นแต่เรามักจะมองไม่เห็นโทษของเราเช่นมีคำพูดว่าโทษของผู้อื่นแม้จะเท่าเป็นผงทุรีก็ดูเหมือนเป็นกองภูเขา ส่วนโทษของตนนั้นจะเป็นกองภูเขาก็เหมือนกับเป็นผงธุลีแต่พอเราปฏิบัติแล้วมันก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเราจะมองเรามากกว่ามองคนอื่นเพราะเราจะเห็นว่าการมองเรานี่เราได้ประโยชน์มากกว่ามองคนอื่นคนอื่นเขาจะดีจะชั่วก็ไม่ได้ทำให้เราดีชั่วไปกับเขาแต่ถ้าเรามองเราเห็นความดีความชั่วของเรานี้ เราก็จะสามารถที่จะปรับตัวเราได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราก็แก้ไขได้สิ่งไหนดีเราก็เสริมประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเราดังนั้นผู้ปฏิบัตินี้ก็จะหันมาดูตัวของตนเองเป็นหลักและการที่จะดูตัวเองของตนได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องเจริญสติต้องดึงใจเข้าข้างในดึงใจด้วยพุโทโธให้เข้ามา ไม่ให้ใจออกไปหาราบยศสลรเสริญไปหาบุคคลต่างๆใช้พุทโธดึงเอาไว้แล้วพอใจเข้ามาในใจแล้วใจก็จะเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาของใจเองใจก็จะแก้ปัญหาของใจได้อันไหนไม่ดีอันไหนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็เลิกไปอันไหนที่ทำให้เกิดความสุขใจก็ทำมันไป หาาปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าการทำทานนี่มันดีมีท่าไห่ก็อยากจะให้อยากจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะว่าประโยชน์ความสุขที่เราได้รับนี้มากกว่าความสุขที่เราให้ผู้อื่นเราทำทานนี้ผู้อื่นเขาอาจจะได้ประโยชน์ทางร่างกายเช่นเราสละอาหารมื้อหนึ่งให้กับคนที่เขาไม่ได้กินข้าวเลยเรายอมอดหนึ่งวันหนึ่งมือ้อแต่การเสียสละนี้ทาให้ใจเราอิ่มขึ้นมา อิ่มกว่าความอิ่มของร่างกายทําให้การที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเมื่อนั้นไม่เมตปัญหาเลยเรากลับมีความอิ่มมากกว่าการได้รับประทานอาหารเมื่อนั้นเสีย อ, อีกนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราทําทานเราจะเห็นชัดอยู่ภายในตัวเราแล้วเราก็จะเห็นอะไรต่างๆเช่นเห็นว่ารักษาศีลก็ดีเห็นว่าการภาวนาก็ดี เห็นว่าการจเจริญปัญญาก็ดีทีนี้เราก็จะทุ่มเททีวิ จ, จิตใจให้กับสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราเราจะเห็นโทษกับการที่เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกเพราะสิ่งต่างๆภายนอกมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเราไปควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้แฟนเรารักเราไปตลอดไม่ได้วันดีคืนดีเขาก็แอบไปมีนู่นมีนี่ที่นั่นที่นี่ก็ได้ เวลานั้นเราก็จะเสียใจทุกใจนี่เราก็จะเห็นโทษของการออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกเราก็จะย้อนกลับเข้ามาหาสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวเราก็คือความสง บ, บนี่เองคำถามต่อไปจากคุณนพพลข้อแรกพอนั่งสมาธิครบเวลาที่กำหนดไว้แล้วผมจะใช้การคิดพิจรารณาผมขนเล็บฟันหนัง ต่อไปเลยได้ไหมครับถ้าได้เวลาพิจนารณาควรให้เห็นภาพขึ้นมาด้วยไหมครับเช่นผมก็เห็นภาพผมคือถ้าจิตมันสงบจริงๆนี่มันจะไม่มีความคิดปรุงแต่งมันจะสักแต่ว่ารู้ถ้ามันอยู่ในสภาพนั้นมันไม่สามารถพิจนารณาได้เราก็ต้องปล่อยให้มันสักแต่ว่ารู้ไปจนกว่ามันจะถอนออกมา พอเม่เา ม, มีความคิดปรุงแต่งแล้วนั่นแหะเราถึงจะสามารถพิจารณาได้ยังงเวลาจิตรวมลงศักแต่ว่าเราในอย่าไปบังคับอย่าไปรากมันออกมาเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่เป็นกลางเป็นสภาพที่เป็นธรรมเนี่ยเป็นสภาพที่มีความสุขอย่างยิ่งตอนนั้นเหมือนกับคนนอนหลับอย่าไปปลุกขึ้นมาทำงานเดี๋ยวจะโดน <c oughs> ปล่อยให้เขาหลับให้เต็มที่ก่อน พอเขาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยบอกให้เขาไปทำนู่นทนํานี่อย่าไปขย่าวตัวอย่าไปปลุกเขาขึ้นมานการทําใจสงบก็เพื่อให้ใจได้พักผ่อนจะได้มีกําลังออกไปทํางานต่อไปไม่ใช่ไม่ทันพักผ่อนพอสงบปั๊บก็ดึงมาทํางานเลยมันก็จะไม่มีแรงทํางานอยู่ดีฉั้นถ้าเกิตรวมเปน็ปนอัปปนาได้ไม่มีความคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้ปล่อยให้มันสักแต่ว่ารู้ไปจนกว่า อความคิดตวงแต่งเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วตอนนั้น่ะเราถึงสามารถที่จะพิจารณาอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะพิจารณาชื่อของมันไปก่อนก็ได้เช่นนาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันต่อไปเราก็พิจารณาดูภาพของมันก็ได้นึกถึงภาพของมันนึกถึงผมว่าเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอย่างไร พิจารณาไปดูให้มันครบทั้งสามสิบสองอาการอย่างนี้มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาแต่จะเป็นปัญญาได้ก็ต้องดับกิเลสความหลงได้ดับตัณหาความอยากได้เชน่นยังไปหลงว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ก็แสดงว่ายัางพิจารณาไม่พอต้องเห็นว่ามันไม่มีตัวเราในร่างกายเลยมันมีแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นเละเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้นลมไฟ มันมาจากอาหารจากลมที่เราหายใจเข้าไปจากน้าที่เราดื่มเข้าไปเวลาตายไปมันก็แยกห่างกันไปน้าก็ไหลออกมาลมก็ระเหยออกไปไฟก็หายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นแข็งก็กลายเป็นดินไปพิจารณาเห็นอย่างนี้จะได้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในร่างกายนี้ ถ้ารู้อย่างชัดเจนเราก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายนี้เหมือนกับเราปล่อยวางร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักได้ก่อนที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเขาไม่เกี่ยวกับเราร่างกายนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเราเราไปหลงให้มันเกี่ยวกับเราเองเนันเองเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเรา พอมันเห็นอย่างนั้นมันก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นตายเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรร่างกายนี้ตายเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเหมือนกันเพราะมันเท่ากันมันไม่ได้เป็นของเราเหมือนกันนี่คือการพิจารณาหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วแต่ไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวมันต้องพิจารณาไปจะห่างมันเป็นความรู้คู่ไปกับใจตลอดเหมือนกับอาวุธที่ติดตัวไปกับใจตลอด เวลาที่อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันจะไม่หวาดผวาเลยถ้ายังหวาดผวนนี่ก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญาตลอดเวลายังหลงอยู่แต่ถ้ายังไม่มีความหวาดผวาเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวสักแต่รู้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่มีความหวาดผวาไม่มีความกลัวข้อสอง ในชีวิตประจำวันเวลาทางานผมจะมีความทุกข์กับเรื่องที่ถูกหัวหน้าด่าว่าตำหนิด้วยน้าเสียงที่มีโทสะและไม่ฟังเหตุผลที่ผมชี้แจงเจ้าโทสะนี่ผมเจอทุกครั้งก็ทุกใจทุกครั้งมันทั้งกลัวและกุ้มขอพระอาจารย์ชี้แนะวิธีแก้ทุกข์ด้วยครับความทุกข์ของเราก็คือความอยากไม่เจอสิ่งเหล่านี้นั่นเอง เราก็ต้องพิจารณาว่าเราอยู่ในโลกของสรรเสริญและนินทาเป็นของคู่กันหนีไม่พ้นแต่อยู่กับมันได้เหมือนกับเราอยู่กับมืดกับแจ้งได้ถ้าเราไปรักเลือกที่รักมักที่จังเราก็จะเดือดร้อนถ้าเราชอบกลางวันเราไม่ชอบกลางคืนพอเจอกลางคืนขึ้นมาเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราทำใจเฉยๆอยู่กับมันกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้มันก็จะไม่ทุกข์ คืออย่าไปอยากอย่าไปเลือกที่รักมากที่ช่างเรามักจะชอบความสรรเสริญชอบการพูดที่ดีแต่เราไม่ชอบคำพูดที่ไม่ดีเราไม่ชอบคำตาหนิดิเตยนว่ากล่าวตักเตือนรู้ดูด่าหรือพูดคำหยาบอะไรต่างๆแต่เราต้องพิจารณาว่าเราห้ามมันได้หรือเปล่าเหมือนกับเราห้ามความกลางวันกับกลางคืนได้หรือเปล่า เราเห็นว่าเราห้ามกัางวันกลางคืนไม่ได้เราก็เลยปล่อยมันไปตามเรื่องของมันคนที่จะด่าจะด่าเราก็เราก็ต้องปล่อยเขาไปถ้าเราปล่อยให้เขาด่าได้เราก็จะสบายไม่เดือดร้อนถ้าเราอยากจะซ้อมก็ซ้อมได้ซ้อมด่าคิดถึงคำด่าของเขาอยู่เรื่อยเ ร, ยเราไม่ชอบคำด่าคำไหนของเขาแล้วก็เอามาซ้อมมาคิดอยู่เรื่อ ย, อยให้มันชินชากับหูชินชากับใจ ต่อไปเวลาเจอของจริงมันก็จะเฉยๆได้คือเป้าหมายก็คืออ ย, าอยาา่า ไ, อาไปอยากไม่ให้เขาด่าเรานั่นเองตัวความอยากนี้ทําให้ความทุกข์ในควาวิภาควาตันหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เขาด่าเราแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าในโลกนี้มันมีทั้งคําชมมีทั้งคําด่าคนที่เขารักเราเขาก็ชมเราคนที่เขาเกลียดเราเขาก็ด่าเราหรือคนที่เขาผิดหวังในตัวเราหรือ สั่งให้เราทำอะไรแล้วไม่ได้ดังใจเขาเขาก็ดา่าเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องอยู่ต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับก็ไปอยู่คนเดียวคำถามต่อไปจากคุณวิชิตาตัวอวิชาคือกิเลสที่ฝังลึกในหัวใจมนุษย์ถ้าตัวกิเลสมันดันออกเพื่อให้เราได้คิดฟุ้งซ่าน ลูกเอาตัวสติตามรู้ตามทันความคิดที่มันคิดขึ้นมามันก็ดับลงตรงนั้นความคิดที่จะจินตนาการคิดปรุงก็ดับไปคิดมาสติรู้ทันก็ดับไปจะเป็นอยู่อย่างนี้ลูกจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าลูกทาถูกทางไหมคะไม่ถูกหรอกความจรงิงไม่ต้องไปตามรู้มันควรจะหยุดมันถ้าหยุดมันได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมา ถ้าไม่หยุดมันมันเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเราต้องหยุดมันวิธีหยุดมันก็ต้องทำใจให้สงบทำใจให้รวมการเจริญสตินี้ก็เป็นการควบคุมบังคับให้มันหยุดคิดแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดถ้าเราดูเฉยๆเวลาเราดูมันมันก็หยุดพอเราไม่ดูมันมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันจบส้น แต่ถ้าเรารู้จักหยุดมันต่อไปมันก็จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้เวลามันจะโผ ล, ล่เราก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็หายไปแล้วถ้าเราพุโทโธไปเรื่อยๆคุมมันไปตลอดเวลาต่อไปมันก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เาะฉนั้นต้องต้องหยุดมันอย่าไปอย่าไปตามรู้มันต้องใช้อะไรเป็นเครื่องควบคุมใจยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ เช่นการเจริญพุทธานุสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนติปิโสไปก็ได้ห ร, หรือจะใช้อะไรอย่างอื่นก็ได้บางคนก็ชอบใช้มราณานุสติพอคิดถึงความตายปั๊บมันหยุดหมดเลยความโลภความอยากต่างๆความวิตกกังวลต่างๆหายไปหมดเลยพอคิดถึงความตายที่มันต้องคิดบ่อยๆคิดจะกระทั่งมันไม่มีช่องให้ความโลภความโกรธความหลงโผล่ขึ้นมา ถ้าหยุดคิดเมดื่อไหร่เดียวมันก็โผล่ขึ้นมาได้ต้องเจริญสติอย่างต่อเนือ่องตลอดเวลาแล้วต่อไปสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นมามันจะไม่เกิดคำถามต่อไปจากคุณคณิศขอลงมัสการถามว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบมีปรากฏในคำสอนอะไรมีประวัติว่าให้มีศีลทั้งสามอย่างนี้ตอนไหนในพุทธประวัติครับ เวลาไปหาหมอลราต้องไปถามหมอหรือเปล่าหมอไปเรียนที่ไหนหมอเขาให้ยาเลยมากินก็กินเลยกินแล้วหายก็ใช้ได้อย่าไปรู้เรื่องที่ไม่ควรจะรู้ไอ้เรื่องควรจะรู้กับไม่สนใจคำถามต่อไปจากคุณกนกพรภยัยารอัศวเศณีเรียนพระอาจารย์สุชาติคนเราตายร่างกายดับแต่ใจไม่ดับ คำถามแรกใจไม่ดับเพราะใจยังมีความอยากถ้าสิ้นความอยากใจก็ดับเหมือนจิตพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะไม่ใช่ใชไม่ใ ช, ใช่ใจไม่มีวันดับใจของพุทธเจ้าใจของอรหันต์ไม่ดับมีแต่กิเลสที่ดับเท่านั้นเองถ้าดับกิเลสได้ใจก็จะไม่มาเกิดเท่านั้นเองใจไม่มีความอยากที่จะมีร่างกายแต่ใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม ข้อสองร่างกายดับดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมร่างกายดับเพราะคนตายกุ้งตายหนูตายก็ยังเห็นซากศพร่างกายของสัตว์เหล่านี้อยู่เลยค่ะคําว่าดับก็คือมันไม่ทํางานแล้วมันไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญต่อไปได้อยู่ต่อไปได้ถ้าทิ้งมันไว้ต่อไปมันก็จะเสื่อมย่อยสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไป ข้อที่สามพระอาจารย์เคยเทศว่าพระอาหารหันต์ท่านละขันห้าขันห้าไม่ได้สลายตัวไปเพรา ะ, พระเพราะพระอาหารหันต์ที่มรณภาพไปแล้วยังสามารถนำขันห้าเหล่านี้กลับมาติดต่อกับบุคคลต่างๆได้อีก เหมือนที่มีคนเล่าว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระพุทธเจ้าพระมหากรสปาเถร ะ, ะมาแสดงธรรมสอนคำถามอย่างนี้ขันห้าไม่ศูนย์แล้วอะไรบ้างในโลกที่ศูนย์ได้คะไม่ขันห้านี้มันมีขันรูปประขันที่มันตายแล้วมันก็หมดไปเหลือแต่ขันสี่ที่ยกว่านามขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารอันนี้มันเป็นอาการของใจ มันเป็นลูกน้องของใจเป็นสมุนของใจมันเป็นผู้รับใช้ใจมันใจเป็นผู้ใช้มันให้คิดปรุงแต่งให้มีความจำได้หมายรู้ให้มีความรู้สึกต่างๆปรากฏขึ้นมาอันนี้มันเป็นส่วนที่อยู่กับใจใจไม่ตายไอ้ส่วนนี้มันก็ไม่ตายแต่ร่างกายนี้พอตายไปแล้วมันเอาไปเผามันก็กลายเป็นขี้เถ้าไป ขันห้านี้คือรูปประขันหนึ่งในรูปหนึ่งในขันห้าคือรูปประขันนี้ตายแล้วก็หมดสภาพไปไม่มีวันกลับคืนมาอีกนะส่วนนามขันนี้ยังอยู่กับใจอยู่แล้วใจนี่แหละใช้นามขันเป็นเครื่องมือติดต่อกับใจดวงอื่นรูปอื่นเวลาที่เทวดามาหาพระพุทธเจ้าเขาก็ใช้นามขันนี่แหละมาติดต่อกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ใช้นามขันของพระพุทธเจ้าติดต่อกับเทวดาทั้งหลายอันนี้มันไม่ตายเข้าใจไหมค่ะคำถามต่อไปจากคุณปรพรไม่รู้ตัวเองจะบาปหรือไม่เพราะนึกตำหนีบุคคลที่ไม่สำรวมเวลาที่ไปฟังธรรมแล้วส่งเสียงดังพูดคุยแข่งกับเสียงของพระอาจารย์ที่กำลังเทศอยู่ค่ะ คือการมองคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นนี่มันมันไม่เป็นประโยชน์มันควรจะเพ่งโทษตัวเราจะดีกว่าควรจะดูความบกพร่องของเราอย่าไปดูความบกพร่องของคนอื่นยกเว้นว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่นี้เราอาจจะต้องอสอดส่องดูแลผู้ที่เรา สั่งสอนอบรมถ้าเขาทำอะไรผิดเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะห้าห้ามปรามหรือว่ากล่าวตักเตือนแต่การกระทำนี้ก็ต้องทำด้วยการปราศจากอารมณ์คือทำด้วยเหตุด้วยผลเห็นว่าเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องถ้าเราอยู่ในฐานะที่ต้องบอกเราก็ต้องบอกเขาส่วนเขาจะทำตามหรือไม่นี้เราก็ต้องห้ามใจเรา อเขาทาตามก็ไม่ทำตามก็อย่าไปโกรธเขาเพราะถ้าไปโกรธเขามันก็กลับมาเป็นโทษกับเราเองทำให้เราไม่สบายใจเพระฉั้นเวลาเรามีหน้าที่ที่จะต้องเพ่งโทษหรือสอนผู้อื่นนี่เราต้องสอนด้วยใจที่ปราศจากอารมณ์ปราศจากความโลภความอยากให้เขาทำตามคามสอนของเราเรามีหน้าที่บอกทางก็บอกเขาไป เขาจะเดินไปทางที่เราบอกหรือไม่ก็เรื่องของเขาถือว่าเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วเช่นลูกของเราเราบอกให้เขาทำอย่างนี้อย่างนั้นเขาจะทำตามหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขายังอยู่ภายใต้การควบคุมดูลลของเราอยู่เราสามารถมีมาตรการทบาบังคับเขาได้ก็ทาได้แต่ข้อสำคัญขอให้ใจเราอย่าไปทุกข์กับเขาจนห่างเกิด กลายเป็นความโกรธเกลียดขึ้นมาเราสามารถมีมาตรการป้องกันได้ห้ามเขาได้ยันบอกให้เขาทำอย่างนี้เขาไม่ทำเราก็ลงโทษเขาได้ไม่ให้ข่าขนมไม่ให้ดูทีวีหรือทำอะไรเพื่อเป็นการปลามเขาอย่างนี้ทำได้แต่ต้องทำด้วยเหตุผลและไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์นี้มันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแล้วเขาก็จะ โกรธเกลีเราได้หรือแต่ถ้าเราทำด้วยเหตุด้วยผลในเบื้องต้นเขาอาจจะโกรธเราก็ได้แต่ต่อไปหลังจากที่เขาได้พิจารณาดูเขามีเขาโตขึ้นเขาได้พิจารณาดูเ็าเห็นว่าการกระทาของเรานี้มีเหตุมีผลมีความปรารถนาดีต่อเขาเขาก็จะลืมเลื่อนความโกรธเกียดเราเห็นเวลาที่จะ ดูโทษของคนอื่นนี่ต้องดูว่าเรามีฐานะหน้าที่ที่จะดูหรือไม่ถ้าเราไม่มีอย่าไปเสียเวลาดีกว่าดูโทษของเราดีกว่ามาแก้ปัญหาของเราดีกว่าอย่าไปแก้ปัญหาของคนอื่นนะโดยที่เราไม่มีหน้าที่เนี่ยแต่ถ้ามีหน้าที่ก็ต้องทำไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลความประพฤติของลูกของลูกศิษย์เพราะเขามาเพื่เรา ก็ามาให้เราสอนแล้วถ้าเราไม่สอนเขานี่เราก็บกพร่องในหน้าที่แต่เราต้องสอนด้วยการไม่มีอารมณ์สอนด้วยเหตุด้วยผลเขาเชื่อก็ดีเขาไม่เชื่อก็ดีเป็นเรื่องของเขาขอคําถามค่ะหลวงพ่ อ, อเอาเลยหลวงพ่อเคยเทศเรื่องธาตุหกมานานม า, ม, ามานานนะครับ ทีนี้ธาตุหกนี่มันคือสิ่งที่อยู่ในโลกธาตุรวมกับธาตุใจใช่ไหมครับหลวงพ่อที่ที่มันจะมีจํานวนที่มันคล้ายๆกับว่าคือมันเปลี่ยนแปลงภายใต้กดอนิจจังแต่ว่ามันไม่สูญหายไปในเหมือนกับสสารที่มันไม่สูญหายไปแต่มันเปลี่ยนแปลงไปธ<ก><ท>าตุดินนี่ก็เป็นสสารไงสสารที่เรียกว่าธาตุดินก็เป็นของแข็งธาตุน้ำก็เป็นของเหลวธาตุไฟก็คือความร้อนหรือพลังงานะ แล้วก็ธาตุลมใช่ไหมธาตุลมก็คือ ก, ก็คือแก๊สต่างๆแก๊สต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆครับแล้วก็มีอีกธาตุหนึ่งก็คือธาตุความว่างหรือเราเรียกอากาศธาตุอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของธาตุทั้งสี่ครับธาตุทั้งสี่นี้ต้องมีที่ที่ตั้งใช่เหมือนของของที่เราจะตั้งในศาลานี้ได้ต้องมีศาลามีัมีเนื้อที่อากาศธาตุนี้ก็คือเนื้อที่ แล้วที่ที่จะทําให้ธาตุทั้งสี่นี้ตั้งอยู่ได้เช่นดวงอาทิตย์นี้ก็เป็นธาตุไฟเป็นมีธาตุไฟธาตุดินธาตุลมอยู่ในนั้นดาวดาวต่างๆมันก็มีเป็นธาตุทั้งนั้นแหละแล้วมันก็มันก็ลอยอยู่ในอากาศธาตุนี้ส่วนธาตุที่หกนี้มันเป็นธาตุรู้อันนี้มันไม่ได้อยู่ในมิติของธาตุทั้งห้านี้มันอยู่อีกมิติหนึ่งเรียกว่าโลกทิพย์ ถ้ารู้นี้อยู่อีกอีกมิติหนึ่งถ้ารู้นี้แต่มีความสามารถที่จะเชื่อมมาเกี่ยวข้องกับธาตุทั้งสี่ได้คือ mm hmm. ใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่สามารถที่จะส่งกระแสของมันเข้ามาครอบครองร่างกายอันนี้ได้ mm hmm. ใจของเราเนี่ยตอนเนี้ยกําลังครอบครองควบคุมร่างกายนี้อยู่สั่งให้มันทําการทํางานอยู่ต่างๆ แต่สมมติว่าเกิดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยโลกนี้ร่างกายนี้ตายกันไปหมดเนี่ยใจก็ไม่โดนลูกระเบิดเพราะใจมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันอยู่ในโลกที่ซึ่งา่าทั้งหมดนี่ก็จะมีจำนวนเท่าเกันก็ไม่อยู่อย่างนี้ละมไม่สูญหายไปไหนเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่สูญหายไปไหนก็ อ, อย่างไอส์ตา์ที่เขา ค, นค้นพบไอเท่า e ยีอนซสแวเนี่ยมันมันเคอะมันตายตัวมันไม่ มันมั น, ม, นมันมีการเปลี่ยนไปจากธาตุดินเป็นธาตุน้ําธาตุน้ําเป็นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆใช่ไหมถ้าเรามีความร้อนมากๆของที่เป็นของแข็งก็กลายเป็นของเหลวได้ ร, ออรวมทั้งธาตุรู้คือใจใช่ไหมครับมไม่ธาตุรู้นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวธาตุรู้นี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปกับเหตุการณ์ต่างๆในในโลกธาตุเพราะใจนี่อยู่ในโลกธาติโลกทิพนี้ ใจก so so ็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎแห่งกรรมไงทำบาปใจก็ร้อนใจก็เป็นนรกเป็นไฟขึ้นมาทำบุญใจก็เย็นใจก็จะสงบเป็นสวรรค์ขึ้นมานี่คือโลกที่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมตามการกระทำถ้ามีการกระทำบาปใจก็จะร้อนใจก็จะวุ่นถ้ามีการกระทำบุญใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุข พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าอยากจะให้ใจเรามีความสุขก็ทำบุญมากๆอย่าทำบาปทาอย่างที่พระพุทธเจ้าทำทาบุญอย่างเดียวละบาปทำละใจให้สะาาอาดบริสุดก็จะได้ความสุขที่สูงสุดและเป็นความสุขที่ถาวรพอถึงขั้นพระนิพพานแล้วใจก็จะไม่เสื่อมลงมาอีกต่อไปแต่ถ้าอยู่ขั้นต่ำกว่าขั้นของพระอริยเจ้า ก็ยังจะต้องมีการเสื่อมลงมาเช่นการทำใจให้อยู่ในระดับของพรหมหรือของเทพเมื่อบุญที่เราได้ทำไว้มันก็จะเป็นเหมือนพัดเชื้อช เ, ชอชเชื้อเพลิงเหมือนน้ำมันที่เราเติมในรถถ้าเราขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดบุญที่เราได้จากสวรรค์ที่เราไดจากการทำบุญมันก็จะมันค่อยเสื่อมไปตามการตามเวลา จากพมก็ลงมาเป็นเทพจากเทพก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะกลับขึ้นไปใหม่ก็ต้องทําบุญใหม่รักษาศีลใหม่ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับก็ต้องมีวิปัสสนาต้องเจริญวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาบันไปสู่สกิทาคามีอนาคามีแล้วก็ไปเป็นพาระหลานเป็นพระพุทธเจ้า จ, จ่าใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมอยู่คือใจของพุทธเ จ, จ้าจ่าใจของพวกเราก็ยังเป็นใจเป็นผู้รู้อยู่เหมือนดังต่างที่ปริมาณหรือสถานภาพที่อยู่ในใจมันต่างกันของพระพุทธเจ้ามีแต่ปรลบังสุขขงังพวกเรามันมีแต่ปรลมังทุกขงังมันต่างใะไรแค่ตรงนั้นเข้าใจไหมเพราะพวกเรายังมีความโลภความโกรธความโถงมีกิเลส ต, ตัณหาอยู่มีตัณหาความอยากอยู่ ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาอยู่ท่นั้นที่มันต่างกันเหมือนคนที่เป็นโลค ก, กับคนไม่เป็นโลค อ, mm. อ่ะเข้าใจไหมอ่คนเป็นโลคมันยังมีเชื้อเอสดอยู่เงี้ยมันก็ต้องมีแต่เจ็บนู่นเจ็บนี่ต้องคอยกินยาคุมมันไปเรื่อยอ่าแต่คนที่ไม่มีเชื้อเอสดี่ก็สบายอไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนก็มีแค่นี้ใจของเราใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนคนไข้ติดเชื้อเอสดัน ต้องมาหาวิธีกำจัดมันให้ได้ยาที่จะกำจัดคือธรรมโอสถก็คือศีลสมาธิปัญญา้วยทานศีลภาวนานี่เองเอใจาย่างความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทั้งหกนี่อามาเอาส่งไม้กลับมานละข้างอย่ามาตีกันบนนี้นะ แย่แย่ใเดแต่ว่าเจ้คาคบพอดีถามเรื่องการปฏิบัติของตัวเองค่ะก็คือว่ามันอ่านเยอะด้วยแล้วมันก็สับสนเองก็คือสติรู้ละทราบแล้วจ้ววะคะ่ะแต่ว่าสมาธินี่คือว่ามันมันมีหลายคือชอบทั้งหมดที่ที่อ่านมาเลยคะ่ะก็คือว่าอันแรกคือตอนแรกปฏิบัติว่าสวดมนต์สวดมนต์นนก็จับเวลาก็สวดไปเรื่อย พอหลังๆพอสวดไปเรื่อยปุ๊บ ม, มันเริ่มคล่องคล่องเสร็จมันก็เริ่มจิตมันก็เริ่มออกไปข้างนอกและวเพราะปากก็สวดแต่จิตมันไม่อยู่กับส่วดมนต์นะฮพอก็เลยมาเปลี่ยนใหม่อ่ะดูกายบ้างคราวนี้ดูตั้งแต่ผมจนถึงปลายเท้าปลายเท้ า, ไ ป, ทาไปผมดูไปดูมาเสร็จเออมันก็สงบดีแต่มันก็จะกลายเป็นความสงสัยว่ามันเป็นการที่มันไม่สงบเพราะว่ามัน มันคิดฟุ้งในในร่างกายเราแต่ไม่ออกข้างนอกแต่มันอย่างน้อยมันก็ใจมันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปข้างนอกเจ้าค่ะมันก็ยังอยู่ข้างในอยู่คราวนี้อ้าพอพอนี้สักพักหนึ่งได้และก็เปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนเป็นบอกว่างั้นดูลมหายใจดูซิว่าเขาก็สอนกันดูลมหายใจก็ดูไปนับไปนับไปนับไปก็หลงไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกลายเป็นว่าไม่สงบเลยเจ้าค่ะสรุปแล้วก็คือสับสนหมดเลยค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีเจ้าค่ะ ก็คือถึงที่เราทำนี้มันก็เป็นการเจริญสติในลักษณะต่างๆแต่เราก็เจริญได้เพียงในระดับหนึ่งแล้วเราก็หมดสติหมดกำลัง <c oughs> พอหมดกำลังมันก็เลยมันก็เลยออกนอกลู่นอกทางไม่อยู่กับการสวดบนไม่อยู่กับการดูลมอั้นวิธีหนึ่งที่เราจะทำให้เราอยู่กับการดูลมหรืออยู่กับ สิ่งที่เรากำหนดว่าคือเราต้องไปอยู่ที่น่ากลัวดูถ้ากลัวผีนี่มันจะอยู่กับพุโทโธไปตลอดมันจะไม่กล้าไปคิดถึงผีเลยแล้วมันก็จะได้สมาธิได้สติขึ้นมาเนยนักปฏิบัติถึงบางทีต้องไปหาที่น่ากลัวน่ากลัวปฏิบัติกันเพราะถ้าอยู่ที่บรรพบริพายมันจะประมาทเดินเล่อมันจะไม่มีความระมัดระวงังมันไม่ต้องพึ่งอะไร แต่ถ้ามันไปอยู่ที่มันต้องมีที่พึ่งทางใจนี่มันจะต้องยึดติดกับพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะสวดบนกันเหมือนคนที่อยู่บนเครื่องเครื่องบินจะตกในหอยมันไม่คิดแด่ก็เลยจะสวดบนอย่างเดียวนั้นต้องไปหาที่มันมีพิษมีภัยบ้างจะได้บังคับให้เราหาเข้าหาที่พึ่งกันถ้าเรายังอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีวันก้าวหน้าได้ เราต้องห า, หาสถานที่ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญที่ที่บริกรรมอะค่ะที่ที่ดูลมหายใจกับที่ดูดูเอาเอ า, อาอยวายวัชข้างในเนี่ยค่ะมันมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมันดีกว่าไปคิดถึงเพชรเหมือนเพชรหรือเสื้อผ้าหนังเรื่องนั้นหนังเรื่องนั้นหนังเรื่อง น, น, น, น, นี้คิดถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ยังยังพอที่จะเอทําให้ใจ อไม่ค่อยพุ่งได้เอแต่มันยังไม่พอไงถ้าอยากถ้าอยากจะให้มันนิ่งจริงๆต้องอยู่กับเรื่องเดียวเช่นดูลมอย่างเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องนับไม่ต้องอะไรให้รู้เฉยๆรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกแค่นี้เองถ้าทําได้เดี๋ยวมันก็รวมได้ก็สรุปคือให้ฝึกอยู่กับสิ่งเดียวใช่ไหมคะคือถ้าวสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆเลยหรือไม่ก็ อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่ก็ดูลมไปเรื่อยๆ เ, เลยใช่ไหมเจ้าคะคือเบื้องต้นถ้าดูลมไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อนเพราะการสวด น, นี่มันมันไม่ต้องใช้กําลังมากเท่ากับการดูลมไงไม่ต้องใช้สติมากเท่ากับการดูลมถ้าสวดไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนก็ได้มันก็มันมันมีระดับของสติที่ใช้ต่างกันไงการฟังเทศนี้อาจจะไม่ต้องใช้สติมากเท่ากับการสวดมนการสวดมนก็ไม่ต้องใช้กําลังของสติมากเท่ากับการดูลม เนี่ยเราก็ต้องดูกำลังของสติของเราว่าตอนนั้นอยู่ในระดับไหนดูลมไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์สวดมนต์ไม่ได้ก็ลองฟังเทศไปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาฟังเทศไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกก็เริ่มมีสติดีก็ลองสวดมนต์ไปถ้าสวดมนต์ได้ก็สวดไปสวดจนกระทั่งรู้สึกว่ามีสติดีพอก็ดูลมไปอ่าเป็นการเหมือนขับรถเปลี่ยนเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามขึ้นอยู่กับสถานาภาพของถนน เวลาออกรถนี่ก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งเวลาวิ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามได้เวลาเราจะริยสติก็แบบเดียวกันถ้าสติมีน้อยก็ต้องใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องดึงสติกับมาก่อนเลยใช้สวดมนต์พอสติกลับมาแล้วก็มีกำลังดูลมก็ดูลมไปคือ <c oughs> อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้หนูลืมบอกหลวงพ่อไปว่าที่ทำมาทั้งสามแบบนี่คือ ทำแต่ละครั้งคือทำแบบเดียวเจ้าค่ะแต่ว่าจะดูว่าวันนี้ฝูงมากก็จะดูดูกายยันปลายดูศีสายยันปลายเท้าไปเรื่อยๆจนเสร็จ ภ, ภารกิจแล้วพอวันต่อไปถ้าเกิดเราเริ่มสงบเนี้ยค่ะก็จะจะดูลมเนี้ยเจ้าค่ะแต่ในแต่ละวันเนี้ยมันก็จะไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดว่าเออต้องพุทธโทรตลอดต้องสวดหมนตลอดเลยเจ้าค่ะ คือที่พูดนี่หมายถึงตอนเวลา เ, ลาเรานั่งใชเวลาเรานั่งแล้วเวลาเรานั่งถ้าเวลา ไ, ไม่นั่งนี่เราก็ใช้การเจริญสติไปก่อนก็ได้แบบที่จะดูลมดูร่างกา ย, กายหรือสวดมนต์ไปก็ได้แต่ที่พูดนี่หมายถึงว่าพอเราเวลานั่งแล้วเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่าเราทําอะไรได้เราดูล้มได้หรือเปล่าถ้าเราดูลมไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อน แล้วค่อยสร้างสติขึ้นมาให้มันถ้าเราจเจริญสติอยู่ตลอดวันทั้งวันโดยที่เราไม่ไม่ได้ไปคิดเรื่องอะไรนี้พอมานั่งมันอาจจะดูลมได้เลยถ้าดูลมไม่ได้แสดงว่าสติที่เราสร้างมานี้มันมีกําลังไม่พอก็ต้องมาสร้างใหม่ด้วยการสวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ยังไม่มีกําลังจะสวดไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้นก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ ค่ะสุดท้ายแล้วจ้ค่ะคือเวลาทำอย่างนี่มันก็มันอยากทําค่ะพอทําเสร็จปุ๊บมันอยากออกแล้วค่ะก็มันหมดกําลังไงโอ้ก็หมดสติคือกิเลมันอยากจะออกธรรมะจะดึงมันเข้าไงมันก็เป็นเหมือนการชักกระเยอะกันถ้าธรรมะมีกําลังมากกว่าก็ดึงมันเข้าข้างไงได้พอธรรมะคือสติอ่อนกําลังลงกิเลสมันก็กําลังมากกว่ามันก็อยากจะออกมันก็อยากจะหยุดนไง อนี้นก็เป็นการต่อสู้กันไปจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่กําลังสติของเราถึงบอกว่าพยายามสร้างสติให้บ่อยๆให้มากๆในเวลานั่งสมาธินี้จะมีกําลังดันให้มันเข้าไปให้มันถึงถึ ง, ถ, งถึงก้นเหวเลยถึงถึงฐานของมันเลยถ้าถึงฐานมันก็จะสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะอยู่ได้นานใช่ค่ะแต่ถ้าสติไม่มีกําลังพอเข้าไปครึ่งทางก็โดนบันดานออกมา เข้าใจแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าได้เนื้อได้หนังมากกว่าทุกวันก็อขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ใยพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดน้องคนแคนาดอ Um, I actually have ties. o u can speak Thai. Long time y e o u d i n t come. No, I was born in America. In America. <laughs> w h Father is Thai. Uh, I see. Where did you live in, uh, in America? Uh, California, Metaphor's Monastery. w h e r Metaphor's Monastery, same Meta monastery, Meta monastery as San Diego. San Diego. Yeah. Yeah. I used to live in Fresno. Press n o Okay. I went to school. at uh, t h e college. Mm. Yeah, I read your autobiography. I just read it. Did you read the other two books? The, the Madame b u t t r f l y o a y I e a d two. a n i a is also friends with Dennis. <laughs> <laughs> so I believe he's coming back as well. This is the first one. Yeah. Uh, this is the second volume. Just came out. y e a h e y h I've e n k n this yeah. one. y o s Did I get the okay. first volume? Sure, I've read part of it, but I was. Would... Okay. Thank you. Can you have my a l u m back? Okay. One more, p a s e t h n k y o e So what are you here for? Are you staying or just? She's staying. She's mm -hmm. staying. I'm leaving. We just came from a d i f e r e n t country. Uh-huh. Where are you heading? Why am I here? Why? Why are you heading? Where are you going from here? Oh, I'm I'm heading for Bangkok. Mm -hmm. I have a family there. My f a t h e r a side of the family. So well, I'm gonna visit them and t h e go back to London. Uh, that's why you uh, you stay. That's your base. Yeah. My base here. Atan uh, Tan mostly, and we were there. For, I was there for three months, he was there for two, and he was there for one. I've been coming to a d a n Tan every year, I'm and done. I heard s o m him about you. Yes, e d like to ask. <laughs> uh, no. no. I think a should think b o u w i u w l l When I contemplate the body, sometimes um, if I if I enter it incorrectly, there's a pressure. Um, there's a pressure in the head and the blood, uh, and I notice that it has something to do with the way I enter it. Like if I if I'm not careful about my desire to um, to see or to have the same. Uh, results o t a i u s o in the past, and uh, there s t e n s um, i e n s i o n that sometimes causes headache, uh, like around right. here in the in the back of the eyes. Yes, h i s actually, it's e byproduct of your k l e s r e system. Normally, your klesha doesn't like to concentrate on the thing, so doesn't like. So what you really need first o be able to contemplate effectively is you have to have some adi f i r s You have to at least enter jhana. And once after you come out of jhana, your mind will be ready to to see the truth of the body. If you haven't got jhana, your v i t t a is very strong, and you will not be able to contemplate on the truth of the body. Because as soon as you do this reaction, you are Up here, okay. you will get some kind of, you know, bad feeling. Mm -hmm. Some people, they have to contemplate about that, they feel so depressed that they cannot con continue doing that. Mm -hmm. So you need to suppress your defilement by entering to jhana, or else you wouldn't be able to contemplate effectively. Mm -hmm. So that's why the Buddha said you first have to go to samadhi before you go to t a n y a It u s something that you cannot j u s t s you k know. i p You have to have samadhi, a p a n a samadhi, jhana. Once you come out jhana, your mind know, is peaceful and calm. It has t o bad a l m It doesn't have that aversion or, or you know or like attraction. It s just neutral. Then you can look at anything without having any reaction. you we'll try to develop a lot of jhana, a lot of samadhi, before you start with your b a l y contemplation. Mm -hmm. I mean, you can contemplate, but you have to see the the amount of the mm -hmm. how much you can contemplate. Mm -hmm. Once you start to having all these bad feeling coming up, then I think it's counterproductive to to go on. Just just uh, step back and work on concentration before. g e s yes. And you have know, to be to concentrate. You need mindfulness. Mm -hmm. You have to be constantly mindful all the time, mm -hmm. from the time you get up to the time you get to sleep. Never exist without mindfulness. Always be mindful. Always have something to anchor your mind. You can use your body by watching your bodily actions. Every movement of your bodily actions, if you watch. Then your mind cannot w o n d e r and think about this and that. So when you have this, when you sit down, you can you can focus on your breathing. Mm -hmm. And you if you continue your focus continuously, you know, your mind will enter into c h a n m a very quickly. Okay. And once you come out, then you have the neutrality mm -hmm. to be able to contemplate on the truth of the body. thank you And when you practice in concentration, I feel like my mind, when it's concentrated, it's quite e x t e n s i v e And should I be that e x t n s i v e No, should, should should be with the object of your mind focus. So with the yeah, t yeah, don't don't d o n pay attention to anything that might appear during your concentration. So be with just the one. your breath, and just know that it comes in and it goes out. Don't. Don't think about it. Don't you know? Don't investigate or don't you know? Just watch. Just be aware. And what is it, the full everything, body? Just ignore everything. So the full body awareness. Not yet. Not the time. Right now, you want to only concentrate on one object mm -hmm. to cool your mind to jhana. Mm -hmm. If you let your mind go to other things, it won't be able to enter into jhana mm -hmm. because it become dispersed. Mm -hmm. You want it to become one. So like yeah. <laughs> just stay on one object. If you lose your breathing or your breath, just concentrate on your breath only. Mm. Mm. Just beware that it comes in and it goes out. Mm -hmm. uh, yeah. Beware that it's fine or subtle or coarse, mm -hmm. long or short. Mm. That's all you have to know. And if any other feeling o p f e a r disregard them, ignore them. If you start to be pay attention to them, you lose your concentration. Instead of your mind becoming one, it start to become dispersed, and then you will not be able to enter h e d o t a n i o n This is the mistake of most people when they when they concentrate, and h e n some other thing appears, they lost their concentration. They forget that they're supposed to keep on watching their breathing. They go on and go after the things that appear. Mm -hmm. So then, the mind start to think and start to become active mm -hmm. instead of becoming uh, inactive. Okay. But if my mind is quite inactive when it's feeling that expensive, it's, it's like basically not thinking so much. Yeah, it's still not. It's, it's still not calm enough. It still have. You want to get to the point where there's nothing to to observe. You want the breath disappear from your awareness, and the body disappear. All there is is that the one who knows, hmm. and emptiness, It's like floating in space. s e i It is. It's a feeling beyond all this world. <laughs> the Buddha said, "Neti, n t i p a r a n g s u <laughs> t a Yeah, the, the happiness that arises from peace of mind is greater than any any form of happiness. And mm. so your your your goal is to get there. <laughs> We're trying. Mm -hmm. Before before going on the next step. <laughs> just just focus. Be one single-minded. Just be one, one. watching one thing at a time, all the time. Right. If you want to use your body, just watch your body all the time. Mm -hmm. Whatever it does, yeah. when you r e brushing your teeth, just be with your brushing. Don't think about other things. Yeah. Mm -hmm. Then your mind will be constantly in the present. Yeah. And when you sit, then you can focus on on the one object. That will lead your mind to calm. Okay. To have lots of people waiting. So yes. Yeah. Okay, thank uh, you. o oh, u a v e a m e n t I did a t ask. I heard that there could sometimes be a possibility to s t a y in the wildlife sanctuary for female. s Yes, Does we, we have, have a we have coatis, mm -hmm. but you have to make reservation. Okay. okay. And since it doesn't belong to the monastery. We you need to charge a certain amount of fee for maintenance and for c a r n for t h e If you want to, if you want to make a reservation, m a y h e m b e t a y o k a Okay. Okay. o k y o k a Okay. Okay. o u a y o a y Okay. o e a Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. e k a y Okay. o Okay. o a Okay. o u s y e n the p a a c o k a s o a o w n y o l o w here a a v e n t been y Okay. o k o k h y Okay. o k a a y a y Okay. a y a y a y It's on the other part. Okay, yeah, yeah, it looks quite nice. Yeah, and you you can you can make reservation. s so I don't know how long is the the the waiting list. No, know, it's, it's quite nice. Go, uh, okay, we can we can do it over there. So okay, you s t a y Yeah. What yeah. are they g o n leave? Uh, she's gonna stay down below at the at the monastery. She's gonna see how it is, and uh, yeah, okay. that's interesting. Yeah. Okay. At the monastery, we also have have some individual hut, but you also have to make uh, make uh, make reservation. This lady, okay. she she stay down below. Okay. You can talk to her later. o Okay. So. <coughs>